สีนิวรณสัมปยุตตะทุกกะหสังสัทธาระหนึ่งถึงสปัจจะยะจตุกนาอิหกสิบสีสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวร์เกิดระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวร์เพราะเหตุปัจจัยละถึงเหตุปัจจัยมีสองวาระธรรมะปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระอนุโลมจบหกสิ 65. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์เกิดรักคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์เพราะนะเหตุก ป, ปัจจัยได้แก่โมห oh ะที่สหรโครได้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคตด้วยอุทจจะเกิดระกคนกับขันธ์ที่สหรโครได้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโครได้วยอุทจจะ ละถึงเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่วิปยุจจากนิวอนย่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยมีสองวาระณปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระณวิปากปัจจัยมีสองวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจ尼ยะจก การนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ 46. นิวรณะสัมปยุตตทุกะ 7. ปัญหาวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังขวาระเหตุปัจจัย 66. สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยนิวรณ์โดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุต ด, ด้วยนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่จิตตสมโธฐานรูปโดยเหตุปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุท네ี่สัมปยุตด <weddings> <dar> ้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมโธฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรน โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิบัยยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุจตขันและจิตตสมัมปทานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารามณปัจจัยหกสิบเจ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารบความยินดีเ <Cathy> พลิดเพลินราคะนั้น ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทัจจะโทมานะจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลเพลนทิฏฐิเพราะปรารบความยินดีเพลเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทัจจะโทมานะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาทิฏฐิอุทัจจะโทมานะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบอุทัจจะอุทัจจะจึงเกิดขึ้น ทิฏฐิวิจิกิจชาโทมานต์จึงเกิดขึ้นเพราะปรารคโทมานต์โทมานต์นจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจชาอุ pequeña, ทจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์โดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น เห็นแจ้งขันที่สัมปยุดด้วยนิวร์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันท์ที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะากรมูปักคยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอรมณปัจจัยหกสิบแปด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 โธทานมักผลและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากนิวรณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยที่ประจักรครูพึงเพิ่มข้อความจนถึงอวัชนะจิตสภาวะธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยนิวรณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาธานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานและถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากนิวรเพราะปรากร ค, ความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทจจะโทมนนสจึงเกิดขึ้นอธิ ป, ปติปัจจหสบเก สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยอธิปฏิปฏัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหาชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น ยินดีเพลิเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรนโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรน เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยทิปฏิปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลอธิปฎีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยที่ปฏิปัจใจเจตสสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปฏิและสหชาตาธิปฏิ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 สหชาตาธิปติได้แก่ธิปดีธรรมที่วิปยุจากนิวรนเป็นปัจเจยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยทิปติปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรนโดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออา ร, รมานาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละถึง ยินดีเพลิดเพลินฌานจากสุมาไทยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุจจากนิวรณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัยเจสอสภาวธรรมที่สัมปยุ ด, ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุ ด, ด้วยนิวรณ์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ ขันที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวร์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์ซึ่งเกิดหลังหลังโดยนันตระปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรเป็นปัจจัยแก่วุฒนะโดยนันตระปัจจัยในที่นี้ไม่มีคำว่าเกิดก่อนก่อนพึงอ้างบทที่เป็นมูลขันที่วิปปิยุจากนิวร์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันที่วิปปิยุจากนิวร์ซึ่งเกิดหลังหลัง โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูพละสมาบัดโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรนโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยนิวรนโดยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยเป็นต้นเจสอง สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยสัมมณันตระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสหชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยอุปนิสยปัจจัยเจสบสาสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่าง คืออารามณูปนิสยอาอนันตารูปะนิสยและปะกระตูปะนิสยะปะกระตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงอาศัยโทสะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ราคะความปรารถนาโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่วิปยุทธิจากนิวรณ์โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกรตูปานิสยาประกรตูปานิสยาได้แก่บุคคลอาศัยราคะแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนามัคอะพิญญาทำสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยโทสะความปรารถนาแล้วให้ทาน ทำสมาบัติให้เปิดขึ้นราคะความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สธาปัญญาสุขทางกายทุกทางกายมรรคภะสมาบัติโดยอุปาณิสยปัจจัยเจ็สภาวธรรมที่วิปยุจากนิวอนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจากนิวอนโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออรมณูปะนิสยอนันตะรูปรนิสยและปะกะตูปนิสย ปกาตูปนิสิยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัท ธ, ธาแล้วให้ทานสมาทานศีลธรรมักอภิญญาสมาบัติให้เกิดขึ้นอาศัยศีลปัญญาเ ส, สนาณะแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นศรัท ธ, ธาเ ส, สนณะเป็นปัจจัยแก่ศรัท ธ, ธาปัญญามักและพระสมาบัติโดยอุปาณิเสยาปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยนิวรณ์ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปะนิสยาอนันตารูปะนิสยาและปะกระตูปนิสยาปะกระตูปะนิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเถอทิฏฐิอาศัยศีลปัญญาสุขทางกายเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ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 สภาวะธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยนิวรณ์โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอรารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขหาทายวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะโทสะโมหะละถึงวัตถุปุเรชาตะได้แก่ หาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยและอาเสวนปัจจัย76สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิยวิจากนิวรณ์โดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยเป็นต้น77 สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยเพิงเพิ่มบทที่เป็นมูลม er er ีสองอย่างคือสหชาติและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตต่สมถานรูปโดยกรรมปัจจัย นานาคเนกาได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแขขันที่เป็นวิบากและกระตาตารูปโดย k ร r มปัจจัยเพิ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดย k a r m ปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธจากนิวรนโดย k a r m ปัจจัยมีสองอย่าง คือชาชาตะและนานาคนกะย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยเป็นต้น78สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุธ์ด้วยนิวร์โดยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยชาณะปัจจัยมรคขปัจจัยสัมปยุทธะปัจจัยมีสองวาระวิปยุทธปัจจัย เจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์โดยวิปยุทธ์ตปัจจัยมีสองอย่างคือชาชาตะและปัจฉาชาตะย่อสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์โดยวิปยุตธ์ตปัจจัยมีสามอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะย่อ สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์โดยวิปยุจตปัจจัยมีอย่างเดียวเพื่อบุเรชาตะได้แก่ภาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์โดยวิปยุจตปัจจัยอธิปัจจัย80สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหะชาตตะและปัจชาชาตะสหะชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตแต่สมุทานรูปโดยอธิปัจจัยปัจชาชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาและจิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตาสมุทฐานะรูปโดยอธิปัจจัย แปสอสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจานิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือชาชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะย่อสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมประยุดด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีอย่ Too <stages> <พ>างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่ บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารกฏความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจชาอุทจัจจะโทมนนะจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยกระขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัย 82. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่าง คือ ส, ส ห, สหาชาตะและปุเรชาตะสชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์และหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองและหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยนิวรณ์และที่วิปยุจจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสอย่างคือชหชาตะ ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะเศชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และมหาภูติรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และเกลวงเลงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขั น, น is, ที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และรูปชีวิตินทรียเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยอธิปัจจัย หปัจญจานุโลมสองสังขยาวาระสุทนัย 83. เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีหวาระอันันตระปัจจัยมีสี่วาระสมนันตระปัจจัยมีสี่วาระสาชาตาปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระ ปุปนิจญาปัจจัยมีสวาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรียปัจจัยมีสวาระชานะปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระ วิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอติปัจจัยมีเจดวาระนติปัจใจมีสี่วาระวิคตะปัจใจมีสี่วาระอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธาระ84สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์โดยอรมณปัจจัย ชาตาปัจจัยและอุปน ouais. ิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปปยุทธ์จากนิวรณ์โดยอรัมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปัจฉาชาตาปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่วิปปยุทธ์จากนิวรณ์โดยสหชาตาปัจจัย8ปบห้า สภาวธรรมที่วิปยุจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุจักนิวรนโดยอารมณปัจจัยสหชาตตปัจจัยอุปาณิเสยปัจจัยปุเรชาตตปัจจัยปัจฉาชาตตปัจจัยกรรมปัจจัยมหาราปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่จะประยุด้วยนิวรนโดยอารมณปัจจัย อุปาณิเส mm ียปัจจัยและปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ดนิวร์และที่วิปยุจฉักนิวร์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์โดยสหชาตปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์และที่วิปยุจฉักนิวร์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปยุจฉักนิวร์โดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย มหาราปจจัยและอินทรียาปจจัย 2. ปัจจะยปัจญิยะสองสังคยาวาระสุทไนณเหตุปัจจัยมีเจดวาระณอารมณปัจจัยมีเจดวาระณธิปติปัจจัยมีเจดวาระณอนันตระปจจัยมีเจดวาระณสมณันตระปจจัยมีเจ็ดวาระณสหชาตปัจจัยมีห้าวาระณอัญญามัญญปัจัยมีห้าวาระ นาเนสียปัจจัยมีห้าวาระนอุปาเิสียปัจจัยมีเจดวาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระละถึงนมัคคปัจจัยมีเจดวาระณาสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสี่วาระโนอธิปัจจัยมีสี่วาระโนนาิปัจจัยมีเจดวาระโนวิคตาปัจจัยมีเจดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระ ปัจจ尼ยะจบสปัจญานุโลมปัจจ尼ยะเฮโตทุกนายแอารมณะปัจใจเขาเฮโตปัจใจมีสี่วาระณที <Workers. S 1> ่ปฏิปัจใจมีสี่ отно. วาระณอนันตระปัจใจมีสี่วาระณสมนันตรปัจใจมีสี่วาระณอัญญามัญญะปัจจัยมีสองวาระณอุปาเนสียปัจใจมีสี่วาระละถึงนมัคคปัจใจมีสี่วาระ ณสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยมีสวาระโนวิคตะปัจจัยมีสวาระ 4. ปัจยะปัจจญญานุโลม88อารามะณปัจจัยกับนเหตุกปัจจัยมีสวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระพึงเพิ่มอนุลม์ขณนาละถึงอวิคตะปัจจัยมีเจวาระ นิวรณสัมยุตตาทุกกะจบ47นิวรณะนิวรณิยะทุกกะ1ปฏิจจวาระ1ปัจจญานุโลมเป็นต้น89สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ถีนมิท่น า, านิวรณ์อุทจจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์ อาจัยความฉาันทานิวรณ์เกิดขึ้นพึงจำแนกขณ น, นาทั้งหมดอย่างนี้เหมือนกับนิวรณทุกะไม่มีข้อแตกต่างกันสี่สิบเจ็ดนิวรณะนิวรณียะทุกะเจ็ดปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยเก้าสิบสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณและเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์โดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแฉ่สัมยุญตนิวรณ์โดยเหตุตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุตปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแฉ่สัมยุญตรัหัน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 เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุตกปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแค่สัมปยุตขันและจิตตสโมทานรูปโดยเหตุตกปัจจัยในปฏิสนธิขณะอารมณปัจจัยเก้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ โดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปราบรลนิวรณิวรจึงเกิดขึ้นพึงแ้างบทที่เป็นมูลเพราะปราบรลนิวรณ์ขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์จึงเกิดขึ้นพึงแ้างบทที่เป็นมูลเพราะปราบรลนิวรณ์นิวรณ์และสัมยุญตขันจึงเกิดขึ้น สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณาขุสนนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรากฏความยินดีเพลิดเพลินขุสนนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิวิจิกิจฉาอุทัจจโทมณะจึงเกิดขึ้น บุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาวัวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งจากสุขหายทัยวัตถุขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีเพลิดเพลิน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 ยินดีเพลิดเพลินจากสุขภัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นราคะทิฏฐิวิจิกิจจาอุทจจะโทมณัตจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์เป็นอารมณ์ของนิวรณ์และที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่ บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขไทยวัตถุขันที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวร์เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นนิวรณและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นเพิงเพิ่มสามวาระแม่นอกนี้อย่างนี้อธิปฏิปัปจจัยเหมือนกับอารมะณปัจจัย บุเรชาตปจจใจเหมือนกับอารมณะปจจใจในอุปาณิสยปปจจใจไม่พึงเพิ่มโลกุตระยอ่อพึงขยายให้พิสดารอย่างนี้พึงพิจารณาแล้วจึงเพิ่มเหมือนนีวรณทุกละนีวรณะนีวรณิยทุกละจบ ส8นิวรณะนิวรณสัมปยุตตะทุกกะ 1. ปฏิจจวาระ 1. ปัจจญานุโลม 1. วิพังคาวาระเหตุปัจจัย92สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทีนามิทนิวรณ์อุทจจนิวรณ์และอวิชานิวรณ์ อาศัยความมาแันธาตนิวรณ์เกิดขึ้นพึงผูเป็นจักกนัยพึงเพิ่มนิวรณ์เข้าทั้งหมดสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สัมปยุทธ์ตักขันอาศัยนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ถีนมิทานิวรณ์อุทจัสนิวรณ์อวิชานิวรณ์และสัมปยุตตขันอาศัยกลามชันทานิวรณ์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัยเกสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหนะตุตัปัจจัยได้แก่นิวรณ์อาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ และที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและนิวรณ์อาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองเก้าสสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ได้สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวร์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์ และที่สัมปะยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทีนมิธนิวรณ์อุทจฉานิวรณ์และอวิชานิวรณ์อาศัยความฉันทานิวรณ์และสัมปยุทธะขันเกิดขึ้นพึงผูเป็นจักกนัยสภาวะธรรมทีท่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวนรณ์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์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 ขันสถีนามิธานิวรนอุทจฉานิวรนและอวิชานิวรนอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรและอาศัยฟามปรชันทานิวรนเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองพึงผูเป็นจักกนันนยย่อหนึ่งปัจญจานุโลมสองสังขยาวาระ9กห้าเหตุ ป, ปัจจัยมี9ก้าวาระอรมาณะปัจจัยมี9ก้าวาระ อธิปฏิปัจใจมีเ้าวาระทุกปัจใจมีปัจใจละก้าวาระการมปัจใจมีเก้าวาระอาหารปัจใจมีเก้าวาระละถึงอวิคตาปัจใจมีเก้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัิญะปัจญายะหนึ่งวิพังขวาระนัเหตุ ป, ปัจใจเกสหสภาวธรรมที่เป็นนิวรณและสัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมพยุทธ์ด้วยนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจฉานิวรณ์เกิดขึ้นอวิชานิวรณ์อาศัยอุทจฉานิวรณ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมพยุตธ์ด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยขันธ่สหรโคดุวิจิกิจฉา และที่สองราโคด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุด้วยนิวรณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุด้วยนิวรณ์และที่สัรรสสปมปยุด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่อวิชานิวรณ์อาศัยวิจิกิจชานิวรณ์และสัมปยุตตะขัน์เกิดขึ้นอวิชานิวรณ์อาศัยอุทจฉนิวรณ์และสัมปยุตตะขัน์เกิดขึ้นย่อสอง ปัจยปัจนิยะ 2. สังคยาวาระสุทธนัย97นเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวะระนบุเรชาตปัจจัยมีเก้าวะระนปัปชาชาตปัจจัยมีเก้าวะระนอเสวณปัจจัยมีเก้าวะระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวะระนวิปยุตตป uh, sure ัจจ <Glory. S 1> <Nas> ัยมีเก้าวะระ สปัจจญานุโลมปัจญียะ98้ณอธิปติปัจใจคาเหตุปัจจัยมี9้าวาระละถึงณวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ 4. ปัจญะปัจญียานุโลม99้าสอารมณะปัจใจขับนาเหตุตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสาวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจใจละสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระโดยในนี้สหาชาตว า, ว า, ว า, าวาระปัจจยวาระนิจยวาระสังสัทวาระและสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระไม่มีข้อแตกต่างกัน48นิวรณะนิวรณะัมปยุตต ท, ทุกขะ เจ็ 7, ปัญหาวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปจัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปจัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สัมปยุทธะนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์ เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตะขันโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุตธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและนิวรนโดยเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยร้อยหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นนิวรนและสัมปยุตด้วยนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรนและสัมปยุตด้วยนิวรนโดยอารมณประปัจจัยได้แก่เพราะปรารบนิวรนนิวรนวรจึงเกิดขึ้นพึงแ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบนิวรนขันที่สัมปยุตด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรนจึงเกิดขึ้น เพื่อ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารบนิวรนหนวรนและสัมบยุทธขันจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมบยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมบยุทธ์ด้วยนิวรแต่ไม่เป็นนิวรนโดยอรมาณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบขันท์ที่สัมบยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรขันท์ที่สัมบยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรจึงเกิดขึ้นเพื่อ้างบทที่เป็นมูล เพราะปรากรกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรนนิวรนจึงเกิดขึ้นพึงแ้างบทที่เป็นมูลเพราะปรารกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรนนิวรนและสัมปยุทธขันจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นนิวรนสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนและที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรนแต่ไม่เป็นนิวรนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นนิวรนและสัมปยุทธ์ด้วยนิวรนโดยอารมณปัจจัยมีสามวาระ อธิปฏิปัจจัยเป็นต้นร้อยสองสภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุ ด, ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุ ด, ด้วยนิวรณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปฏิจจมีสามวาระเพิ่งเพิ่มคำว่าทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น สภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะยุดด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอธิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาทิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นขันที่สัมปยุดด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์จึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่ ธิปปฎีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธ์ตขัน์โดยทิปปฎิปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลอารมณนาธิปปิได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิวรณ์จึงเกิดขึ้นสหาจาตาธิปติได้แก่ธิปปฎีธรรมที่สัมปยุทธท์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะนิวรณ์โดยทิปฏิปัจจัยพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอารมณนาธิปติได้แก่เพราะทำขันที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นนิวรณ์และสัมปยุทธะขันจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปฏิได้แก่อาทิปดีทำที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันและนิวรณ์โดยธิปติปัจใจร้อยสาม สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์และที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาทิปติมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยนันตระปัจจัยอวชนะจิตและวุฒนะไม่มีทุกทุกแห่งพึงเพิ่มคำว่าที่เกิดก่อน เป็นปัจจัยโดยสมนันตระป kind of well ัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยชาชาตาปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญาปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจใจมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอุปาเนสยปัจใจมีเก้าวาระปัจจัยนี้เหมือนกับอรัมณปัจจัยวิบากไม่มีเป็นปัจจัยโดยอาเสวณะปัจจัยมีห้าวาระธรรมปัจจัย ร้อสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขัน์โดยกรรมปัจจัยพึงอ้างบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะนิวรณ์โดยกรรมปัจจัย พึงออ้างบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันและนิวรณ์โดยธรมปัจจัยอาหารเราปัจจัยเป็นต้นร้อยห้าสภาวธรรมที่สัมปะยุด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์โดยอาหารเราปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยสัมพยุตตปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอาติปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยนัตติปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยวิคตปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระ 1. ปัจญานุโลม 2. สังขยาวาระ ทุทนายร้อยหเฮตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจั ย, ā ā ยมีเ้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระ กรรมปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมค้าปัจจัยมีสามวาระสัมยุตตปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจก สปัจจนียุทธาระร้สภาวธรรมที่เป็นนิวณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์โดยอา ร, รมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยโดยในนี้ในบททั้ง3มพึงเปลี่ยนไปทั้ง9ก้าวระ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังคยาวาระร้8 นาเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนาอารมณปัจใจมีเก้าวาระละถึงโนอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ 3. ปัจจญานุโลมปัจญียะร้อนาอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอธิปติปัจจัยมีสามวาระนาอนันตระปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาสมนันตระปัจจัยมีสามวาระ นอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระละถึงนมะคะปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 4. ปัจยปัจนิยานุโลมร้อยสอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระพึงเพิ่มบทอนุโลมมาตตกา และถึงอวิคตาปัจใจเหนยกลาววาระนิวรณนิวรณะสัมปยุตตะทุกกะจบ49นิวรณวิปยุตตะนิวรณียทุกกะ1ปฏิจจวาระ1ปัจจญานุโลมเป็นต้น111สภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์นิวรณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุจจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองในปฏิสนธิขณะยอ่อพึงเพิ่มเหมือนโลกิยทุกกะในชุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันนิวรณวิปยุจตานิวรณียทุกกะจบนิวรณ์โคจกะจบ